เราเราก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าธรรมะจา ก, กประวัติศสตรเป็นเรื่องของแก่นแทของพุทธศาสนาอุนโอคุ น, ออนจอยจะได้ฟัง กรระเทศชนากันนี้เหมือนกับว่ามีหวังเห็นทางเห็นโพเห็นทางกันเบินชีวิตเหมือนเห็นแสงเงินแสงทองขึ้นฟากฟาว้าว่าทิศทางตวันออกกับทางนี้ก็ ต่อไปก็จะได้รู้ทิศรู้ทาง้วเนินไปตามทิศทางที่ผิดที่ถูกได้แต่จริงเหล่านี้มันก็อยู่ที่ตัวเราเ <c oughs> มื่อเป็นธรรมเทศนาสองันหกอยปีมาแล้วก็อยู่กับคนอยู่กับคนทุกคนเป็นสูตร อยู่กับตัวเราทั้งหมดน่าจะสรเสิญพระอนุนจำมามาลอยของสังายนาพระสงรูปหนึ่งที่เป็นพุทธบทธุตรถาของพระพุทธเจ้าด้ย ขอพรจากพระเจ้าเมื่อได้รับเป็นทุละพุทธบัติถากจากสงจากพระเจ้าให้เป็นพุทธบัถากของพระพุทธเจ้ารือพระอนุอนอนุ์ก็ได้ขอพรจากพระเจ้าเมื่อพระองค์ แสดงธรราที่ใดขอให้ข้าพเจ้าติดตามไปด้วยเพื่อจะได้ยินได้ฟังพุทเจ้าก็ถามว่าเธอทำไมต้งขอพรเช่นนั้นก็เพราะว่าในอนาคตการเมื่อมีใครมาถามพู้เจ้าประเทศที่ใด เรื่องใดถ้าไม่รู้มันก็จะเป็นเรื่องไม่ดีจะได้จำไว้จะได้บอกคุณเจ้าก่อนอนุญาตให้อาจากนั้นก็ได้แต่ว่าทนออกมาจนจำมานะครับสังคยนาคุณเจ้านิพพานไปแล้ว อนอนจำได้แม่นมันเห็นความเท็จความจริงอยู่กับเราแท้ๆเนี่ยแม่นยอมมาก <c oughs> แต่จำได้เฉยๆยังไม่เป็นพระละหันเลยเพระอนน์จนพระเจ้าปฏิปานไปก็ยังไม่เป็นพระลหันเมื่อบาทธรรมสังครานาข้างนี้ จ, จึงจำเป็นต้องให้พระอราหันต์ทั้งหมดมาลอยกองจำามามาบอกกันแต่พระอาน์นี่ไม่เป็นพระอราหันต์หมูสงต้องหลอยพระหมากจัปาะเป็น ป, ประธานได้ให้อานา์ไปปฏิบัติทำให้สำเร็จเรื่องนี้แล้วมาสังคยนา คือพระนรูปเดียวขาดไม่ได้คือเป็นพระหุสูตรผู้ได้สะดับตับฟังมามากจึงได้บรรลุธรรมลาบมาซ้ามสังขนาอันนี้อนร์ก็จำเราเฉยๆแต่ว่ามัตประกอบมันเกิดขึ้นแก่เราสำคัญอยู่ที่กับวนการปฏิบัติ นอนนนก็นำมาปฏิบัติเมื่อคนมีความรู้ก็มีความมั่นใจเห็นเผนที่ต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้เห็นเสียงเงินช่างทองที่ต้องกกันตรงนี้ชี้ไปตรงนี้เวลามันหลงก็ชี้ไปถึงขว้วไม่หลงเนี่ยนอ น, นละ่ะ ความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องชี่ไปทางนี้ก็ดำเนินชีวิตไปทุกครั้งที่มันหลงมีจิตเป็นดวงตาภายในเห็นไปลองมันทุกข์ชี่ไปตั้งความไม่ทุกข์มีหวังอย่างนี้พระนนจึงเอาเรื่องนี้มาดำเนินไปในคราวเดียวกันนั้น เปลี่ยนความหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนความทุกข์เป็นไม่ทุกข์คือสติคือรู้จักตัวรู้จกตัวเนี่ยการรู้จักตัวการรู้จักตัวกับอบ า, ารกต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอยู่ในองค์มรรคข้อที่8ด้วยแปดข้อนี่นก็คืออันเดียวกัน เป็นการปฏิบัติลงไปที่กาที่ใจนี้ทั้งนั้นดอกผิดถ้เป็นบอกผิดบอกถูกเห็นเหตุเห็นจิต ท, ที่เหมือนผิด เ, เห็นเหตุที่ทำให้ถูกได้ก็นำมาปฏิบัติก็รวมเพียร น, นั้น ชอบรติเนี่ยเป็นความเพียรชอบเพียนละความชั่วคือสติเนี่ยถ้าเวลามันหลงเห็นได้รู้นี่เพียนชอบแล้วความเพียนชอบแล้วเพื่อละอกุศลแล้วที่มันเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นก็มีสติอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็คือความเพียน เมื่อมันเกิดขึ้นมากับร้อมแล้วหยดละได้ทุกข์ก็พร้อมที่ยมรู้จักตัวคือไม่ทุกข์แล้วนี่คือความเพียรในหลักอริยสัจสี่มีปริวัตสามเมือการจิบสองทั้งคืออริยสัจทั้งน้านละเนี่ยในเร็วมากเมือแปดเป็นเป็นของอริยสัจสี่ขยายออกไปมีจิติมันก็บอกเคลืนแล้ว ปาลิวัตสามแล้วเห็นเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงนี่ปาลิวัตสามเห็นมันทุกข์ไม่พ้นไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์นี่คือปาลิวัตสามเห็นเหการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกิเลสต้นหาเกิดขึ้นมีปาลิวัตสามคือเห็นมันไม่เป็นไปกับมันค้นจากภาวะที่เห็นก็อยู่ในอริยสัจสี่ทำให้แจ้ง ทำได้แล้วแจ้งแล้วแจ้งจริงจริงตรงนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทุกไม่จริงเพราะไม่ทุกเหมือนจริงมีอยู่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ร้งหลงไม่จริงเพราะไม่หลงมีอยู่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทําให้แจ้งแล้วทาได้แล้วละได้แล้วหลงที่ใดไม่หลงที่นั่นทุกที่ใดไม่ทุกตรงนั้นละได้แล้วอย่างนี้ นี่ปริวัติสามอาการที่สองเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้จึงเกิดย้อนขึ้นมาว่าเห็นแจ้งนี้อยู่กับคนเหล่านี้เองเมื่อเรานำมาปฏิบัติจะเห็นเห็นทางพบทางทางพาไปเหมือนเรานั่งรถเดินทางมิตรภาพ เนทางหลวงที่มีป้ายจราจรบอกทิศบอกทางทา ง, งไหนบอกตรงไหนว้ายมันบอกเหมือนเป็นอย่างนั้นเราทางเดินด้วยเท่าทางบอกทางเดินจิตใจก็เช่นเดียวกันผิดบอกให้ไหม่ บอกให้ไปผิดให้ถูกตรงไหนที่บันทุกก็ไม่ทุกตรงนั้นทางมันบอกเลยไม่จนคนพบทางก็ไม่ข้าโลกเข้าพงนี่คือตัวปฏิบัติมีความเพียรชอบชต้องมีสติก็ตั้งงั่นหว่มงอกงามในสติปล้อมไปบุญความเต็มโลกวงจะเล่น มันก็เปลี่ยนไปเองมงนันต้องมากขึ้นมากขึ้นโดยรูปแบบของกรรมาฐานเนี่ย14จังบะเคลื่อนไหวลู่ทีละลู่เนี่ยมันก็มากขู้จริงๆว่าจะมีความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นมามีความรู้สึกต้นรอบเป็นนายวาวบาลอะไรก็ปลอดภัยได้ จึงเป็นกรรมฐานที่เป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์ประสบการณ์จากวิชากรรมฐานนี้ประทับใจผลของการปฏิบัตินละก็เป็นอริยซัพภายในมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ชื่อไม่ได้ อันนี้คือประทับใจผลกรรมฐานแล้วก็ขี้ขี้ได้ขี้ขี้ขี้ตบตัวเองได้ตรงไหนที่มีทุกข์มีปัญญาตรงนั้นตรงไหนที่มีปัญหามีปัญญาตรงนั้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วเฉเียวแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเฉลีา นิพพานเกิดขึ้นแล้วจะเรามันเป็นได้ทุกชีวิตของจริงไม่ใช่ของบุคคลใดคนหนึ่งเป็นธรรมะเป็นอย่างนี้เป็นตถัฐตาเป็นเช่นนั่นเองพระพุทธเจ้าเทศนานกันนี้มีโกนรรัญญะพ ร, ร้อมปัจจุบัผู้มีอายุโดยดวงต่เหึนธรรม รู้แล้วนรู้ลแล้วน อ, อัญญาสีบรรตโภคมทันย่ัญญารูแ้แวหนอความปัญญาผู้มีอายุเล่ลาๆเนาะก็ต้องรู้จักเหมนที่รู้จะแดงอะไรรู้แล้วรู้แล้วจึงจอดต่อไปว่าแน่นอนแล้วแน่นอนแล้ว ยังจิ้งจื่มุทยอะทำบังสพพันธ์ลูลทั้งมันติจิงได้จิงหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาจินั่นต้องไม่ความดับไปเป็นธรรมดาได้ผลแล้วได้ผลแล้วจึงเดยก ว, ว่าแน่นอนแล้วยกโป้แล้วสอนคนลู่ตามได้แล้วเดี๋ยวว่าของจริงต้องเป็นอย่างนี้แต่ของไม่จริงคนอื่นรู้ได้ไม่ได้ เว้นของอันเดียวกันตัดามเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเองก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นเช่นนั้นมันจะให้เป็นเที่ยงได้ยังไงความเป็ทุกข์มันก็เป็นเช่นนั้นจะให้เป็นทุกข์จะให้เป็นสุขได้อย่างไรเป็นเช่นนั้นเองยอมแจ่มันก็เป็นเช่นนั้นเองจะให้ไม่เจีได้ไง สังขารคือร่างกาจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งเช่นเกิดขึ้นแล้วเจยเฉ็บตายไปเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองสังขารคือร่างกาจิตใจรูปธรรมนามธรรมนี้เกิดขึ้นแล้วหายไปมีแล้วหายไปเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองเนี่ยก็เป็นอย่างนี้หรือว่ายังกินจีจะมุตยธรรมมังตะทัตตาทัตตา เมื่อไปเป็นนี้ก็วางเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเหนือก่เกิดเจ็เจ็บตายได้ในชีวิตนี้ได้มากได้ผลแต่มีกิจมีใจมีเดินได้หลงได้ทุกได้เนี่ยได้ประโยชน์จากความหลงและประโยชน์จากความทุกได้ว่าเห็นของจริงการประเสริฐ คือทุกเนี่ยถ้าไม่เห็นมันมันก็ทุกถ้าเห็นมันมันก็ไม่ทุกก็พ้นจากทุกได้เหมือนโราเห็นงูงูก็ไม่ได้กัดเราคนที่ไม่เห็นงูต่างหากงูจึงกัดตายไปคนที่เห็นมาก็ไม่ได้กัดละ เหนบอกเพื่ก่อนนักปฏิบัติอย่าให้ความคิดมันหลอกได้เห็นหมันคิดอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดท่วงความคิดความคิดที่เป็นสมมุทัยเป็นสังขารไม่อยากคิดมันก็คิดเนี่ยเป็นสมมุทัยเป็นสังขาร เห็นแจ้งไหมละได้แล้วไหมเห็นแจ้งไหมทุกเป็นจีกําหนดรู้ได้ไหมทุกครั้งที่มันทุกรู้ได้เกิดขึ้นแล้วหรืออย่างทุกเป็นสิงที่ต้องละรู้เป็นสิงทําให้แจ้งสมมติไทยเป็นเหตุที่ต้องให้ละเหตุที่เกิดทุกละได้หรื อ, อยังไม่ต้องดาเนินไม่ต้องให้มันอีก บอกขึ้นไว้แล้วไม่ต้นลบไม่มีที่อาศัยไม่เห้ค่านันเรียกว่าละได้แล้วสำมักไทยละได้แล้วค น, นเดียว <c oughs> ควมหลงก่อนเดียวความโกรธก้อนเดียวความทุกข์ก้อนเดียวทำไมจึงละไม่ได้โอ ด, ดลอยข้างันถนนไม่เคยละชักตีเวลาเราม่ปฏิบัติเนี่ยจับมันขึ้นเขียงได้เล ย, เลย นี่คือตัวหลงนี่คือให้เกิดความหลงให้เกิดได้เกิดความทุกข์ต้องได้แจ้งจริงๆหรือว่าวิปัสสนาต้องให้แจ้งแจ้งแล้วจริงๆเห็นที่เห็นต่างให้กระเสผู้ปฏิบัติดมหลักสติปัฏฐานต้องได้เกษเสรรแห่งพระนิพาน ทันทีเลยทีเดียวถ้หมันหลงหรือรู้เนี่ยไปทางนี้แหละแม่มันลิบดีก็ทังอยู่ตรงนี้แล้วแบกออกไปให้รู้แล้วก็อาศัยกรามฐานเป็นเครื่องทุ้นแรงให้รู้เพิ่มขึ้นน้ำหนักของความรู้เพิ่มขึ้นในความไม่รู้นี่การฝึกตนสอนตนไม่มีใครช่วยเราได้ อาศัยความภาคเพียนคือประกอบอย่าปล่อยทิ้งหลงที่ใดลู้ที่นั่นหลง้อยข้างลูร้อยข้างที่บอกความภาคเพียนไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปเป็นความก้าหาันก้าหารแล้หลงเป็นลู่เป็นความแก่นกล้าทุกเป็นลูปเป็นความแก่นกล้า ตลาได้ไกลกระโดดได้ไกลตอนนี้มีกำลังแต่คนไม่รู้น่หลงก็อ่อนแอไปเลยโกรธก็อ่อนแอไปเลยเป็นการมจุขันในการโยกไปตามอาการเลือกการหรือ่อนไปตามอาการ พอใจก็เป็นกรความพอใจไม่พอใจก็ไปตามความไม่พอใจหลักการปฏิบัตินีเจอเอาจริงนี่จริงจะเอ๋จริงจะถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาพระเจ้าก็สอนอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มเดินทาง มีสติเปในกายเป็นปรจจมถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเจะได้แล้วก็จะมีความพอใจความไม่พอใจการมีสติเนี่ยเกิดขึ้นกับกายอาการของกายเกิดขึ้นมาที่ใดก็พอใจไม่พอใจแล้วอาการขออจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็พอใจไม่พอใจหรือว่าเวทนา จบก็เป็นจบทุก็เป็นทุกเรียกว่าเวทนาสักว่าเวทนาคือถอนออกมาเห็นแล้วเห็นแล้วไปได้แล้วผ่านไปได้แล้วกักไม่ได้ด่านนี้ผ่านไปแล้วถ้าเราไม่รู้ด่านนี้ก็กักเอาซะเอากายมันเป็นตัวเป็นตนจำอยู่ตรงนี้ไปไม่ได้เอาจบทุกมาเป็นตัวเป็นตน เอาความคิดมาเป็นตัวเป็นตนให้ความคิดมาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือ่เอาความาคามิดมาเป็นตัวเป็นตนสักแต่ว่ากีจสัจธรรว่ากิดเป็นเช่นนั่นเองวิญญาณธาตุมันรู้ ไ, รได้ขอบคุณมันมันไม่ใช่มาลงโทษเราเราได้ปัญญา ถ้าทิรุ่งอะ ไ, ได้เหลือวิญญาณนธาตุด้วยกิจวิญญาณได้สอนมันทำก็จากแต่ว่าเป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ตัวโลกละอกุศลเป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นธรรมขาวขึ้นฝังได้ขึ้นฝั ง, งเพราะมัมีฝังเพราะมัมีน้ํา ไม่มีน้ำมันก็ไม่มีฝัง่าจริงมีสุขมีทุกข์ชีวิตของรูปของน้ำนี่นี่ว่ารูปทุกข์น้ําทุกข์ทุกข์พรเจ้าจแสดงธรรมเทศนาเมาื่อกีเนี่ยขี้ไปตั้งแต่ทุกข์มันมีอยู่จริงทุกข์คมเ็จริงมีอยู่ชาติปีทุกข์้าความเกิดก็เป็นทุกข์ จะลาปิดทุกข์ขาดความเจ็บก็เป็นทุกข์ปัญาติทุกข์าความเก็บความเป็นทุกข์ม่อนําปิดทุกข์ังความตายก็เป็นทุกข์เผื่พัภาคจะของรักของชอบเใยก็เป็นทุกข์ปาเถื่นตใดไม่ได้ฉิมนั่นก็เป็นทุกข์เภฐานเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์อ้าดเปื่อไม่หมดเลยถ้าเราไม่ศึกษาแต่เราศึกษาก็จะเกี่ยงเก่าบริสุทธิ์ ในเห็นหนังนี้ก็น่ากลัวรูปทุกข์จริงจริงรูปมันเป็นทุกข์จริงจริงเป็นก้อนทุกข์จริงจริงเกิดขึ้นลเล่เจริญตายไปจริงๆแก่ไม่เจริญเฉยเเจ็บไม่เจ็บเฉยเฉยเป็นทุกข์ด้วยตายก็ไม่ตายเฉยเฉเป็นทุกข์ด้วยเติมทั่วทุกข์อยู่ตรงนี้กันยอมรับจํานวนอยู่ทุกคนต้องไหวเราไม่ศึกษาเรื่องนี้ เมื่อศึกษาเ่นี้ดูถ่องเทศแล้ววัชรทัตทะมาศึกษาเรื่องนี้ได้คำตอบยังได้ประกาศเรื่องนี้ว่าเมื่อมีความแจก أ, ก็มีความไม่แจกเมื่อมีความเจ็บก็มีความไม่เก็บเมื่อมีความตายก็มีความไม่ตายตั้งแต่เป็นสิทธัตถะพอจบอายุสิบหกพรานน เห็นคู่่อย่างนี้จะหาคำตอบหาผลทางแต่พระเจ้าปู่เจ้าย่าไม่ไม่มีใครตอบได้ก็ลเลยดําหลีอหล่ออกบวชเพื่อศึกษาเรื่องนี้ก็ได้คำตอบแล้วก็บระกาศเป็นธรรมะเป็นศาสตดาเป็นพุทธเจ้าก่อนใครในโลก รวมกัถึงพวกเราทุกวันนี้นะมีอยู่จริงอย่างนี้สติอยู่กับเราตอนนี้ก็อยู่กับพู้เจ้าเหมือนกันจึงมีหนูมีพืชอย่าปล่อยทิ้งมาทำให้เกิดประโยชน์มีสติเปนในกายดูกายเคลื่อนไหว เห็นใจมันคิดทุกคนต้องเห็นอย่างนี้นี่ติดูกายเคลื่อนไหวก็รู้ได้ทุกคนแล้วก็เห็นใจที่มันคิดก็รู้ได้ทุกคนมันคิดเป็นเห็นความคิดที่ไมไ่ตั้งใจ ชีวิตเนี่ยก็ว่ยห้อยไปแขนวนนั่งกับความคิดความคิดพาเป็นจุกเป็นทุกข์ปล่ยหลักปล่ยจังปล่อยเกิดจิเรืตองหาได้ตัวหลักตัวใหญ่มันคือตัวคิดเนี่ยตัวจิตเนี่ยมาเพ็นทางจิตก็คือมีสติเห็นมันคิดนี่แหละคิดแต่ใดก็รู้ที่นั่นนี่คือคําเพียรทางจิตสอนจิต ส่วนกายเสมาจาเป็นจำเลยที่สองที่สามกรรมเดอใหญ่ที่สุดคือจิตมนุปพังเข้ามาทำ ม, มาโนเจตามโนมายาทำทั้งหลายทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสิ่งที่สำเร็จทดลองไม่ได้ทดลองให้โกรธก็โกรธไปแล้วจริงๆเอาขึ้นไม่ได้ จะลองให้ทุกข์ทุกข์กขจริงๆเอาเขินไปได้เวลาเรามาฝึกกรรมฐานจะได้ช่วยเนี่ยช่วยกิตเนี่ยอย่าให้ไปถึงโ น, น้นซะอย่าให้เป็นตัวเป็นต้นไปกับความคิดอย่างน้อยก็ต้องเวทนาคืนมาซะให้รู้ซะเวทนาสักว่าเวทนาชิดสว่คิดซะเนี่ยคืนมามนไม่เผื่อเพื่อนมันจะสา บ, บริสุทธิ์ อะรที่มันเพื่อนที่ใดลูกที่นั่นมันจะบริสุทธิ์ต่อไปกิจจะดูกิจเองกิจจะดูกิจเองอยากจะสรุปไว้กับการปฏิบัติสติตัวนี้แหละเป็นเจ้าของกาเป็นเจ้าของใจอย่าลืมไปอยู่ที่ใด ให้มีสติเป็นผู้ดูแลกายใจอยู่เสมออยา่าไปมอบหมายให้อะไรอะไรก็รู้รู้ต่อไปมันจะรู้ไปเองไม่ได้ตั้งใจอยากหลงก็ไม่หลงอย่ากโกรธก็ไม่โกรธอยาทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันเป็ี่นไปไม่ได้เพราะมันเห็นอยู่แล้วจะบังคับไม่โกรธมันเป็นไปไม่ได้คนนี้นะ่ะละคนนะ่ะเกีย่าิจะมันเป็นไปไม่ได้ มันไม่เป็นธรรมเมื่อเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วเจรกายเจรใ จ, ใจธรรมก็รักษาเองธรรมยบรักษาผู้พื่อธรรมอยู่เป็นนิดธรรมยบรักษาผพ้่อเพื่อธรรมไม่ตกไปในที่ชั่วอย่างนี้วันนี้พวกเราก็มา ที่สมาทานสันมาสมาทานเข้มสิบวันก็จบตรงวันนี้ก็อยากจะพับใส่กระเป๋าให้ทุกคนอย่าเอาทิ้งาะเอาติดตามไปด้วยไม่หนักไม่กินที่ไม่กินเนื้อที่อยู่กับกายกับใจเรานี่เองเหรนสมบัติเป็นไรซับภายในเหนือการเกิดเจ็บตาย กไปอาจจะจำนานมากขึ้นมากขึ้นวันนี้ก็จะมีกลุ่มเข้ามาอีกแทนพวกเราพวกเราก็พอใจเราชอบเป็นครูสอนครูสอนตั่นนึ่งไม่ต้อไม่เอาสอนกับมาตรฐานนี่วันถูกต้องจริงๆอยากจะบอกคู่คนต้องหนอย มันหลงไม่หลงเนี่ยมันทุกข์ไม่ทุกข์เนี่ยไม่ถูกต้องจริงๆก็ไม่หลงไม่ทุกข์อยู่อยู่ที่การที่ใจเราพอดีไปเองเอัหนึ่งก็ดีไปเองเป็นมาเป็นพวงมาเป็นพวงความดีเกิดขึ้นเป็นพวงพวงในโลกนี้ก็อาศัยคนดี เหมือนเขียนไว้ที่หลวงทานว่าดีนาด้าดีดินดีอยู่ที่ไหนว่าจะดีน้าจะดีดินที่อยู่ที่คนคนดีอยู่ที่ไหนคนดีก็อยู่ที่เราเนี่ยขี้มาที่เราทุกคนเสนอเข้าไปเราชักคนหนึ่งเสาะขอมีส่วนร่วมในความดี อยู่ที่ไหนก็ทำความดีก็จะได้เป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันอวันนี้ก็สมควรใจเวลากับพระป้องกัน